<c oughs> ขอเจริญพงญาติโยมท <c oughs> ุกๆท่านกับก็ตามสบายๆก <c oughs> ็หลังจากทำวัดเสร็จแล้วก็เราก็มีโอากาสใช้เวลาผ่านทามจากการได้จริงจาก จำผู้ชายผู้แล้วก็เราก็เอามาใช้ร่างกายเป็นเครื่องไว้หรือว่าดูลมหายใจเอามาเป็นสติเจริญไปเรื่อยๆ ร, รู้สึกตัว ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้พวกเราก็มาจะไปด้านนอกไม่ว่าร่างกายอยู่ที่ศาลาโฮไตรที่นี้แต่ว่าจิตใจเพิ่งสร้างไปขับบ้านหรือว่าไปเที่ยว ไปที่ไหนก็ได้จิตใจก็เป็นลักษณะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปเวล า, า, วาไหนก็ไปได้ไปอดีไปอนาคตก็ร่างกายก็ ก็วางไว้ไปถ้าเราไม่มีสติก็เหมือนกับว่าเป็นคนตายคนตายนี่ก็มีแต่ร่างกายแต่จิตปิญญามก็หายไปแล้วไปนู่นแล้วก็พวกเราก็ตาจิต ไ, ไปนู่นไปนี่ ก็มังก็เคนตายแต่ว่าถ้าเราก็ยังมีชีวิตอยู่สามารถที่จะกลับมาได้มันจิตกับใจอใจกับกายก็อยู่ด้วยกันรพร้อมๆกันสติก็รู้สึกตัวให้ ร่างกายเรามีชีวิตชีวาจิตใจเราก็มีชีวิตชีวาก็ไม่ใจแผงก่อ น, นตายไปไม่ได้แล้วก็ก็อยู่กลับมารู้สึกตัวนี้ก็ใจได้ ถ้าเป็นคนที่เป็นโรคจิตเสียสติเข้าไปร่มปลาบางกินยากันนอไม่รับมับงอาการก็มีรายยางบางคนก็ทุกข์ใจมากก็เลยขาดตัวตายก็มีที่ คน่นหยิบนทีเราอาตอมา ก, ก็ช่วย ร, รักษาใจเขาหลายคนแล้วขามพังพังคนก็หลายคนก็มีความทุกข์ก็เลยอุตสหาหะมาศึกษาปฏิบัติธรรมที่นี่เพื่อแก้ไขความทุกข์ เงินตอนหรือว่ามีเพื่อนมีมีบ้ามีรถมีเครื่องไฟฟ้าวิทยุโทรทัศน์ก็ช่วยแก้ไขจิตใจไม่ได้แล้วก็หลอมไปหล่นตามไป ที่พุ่มไม่ได้สิ่งที่เรานั้นก็เข้าใจพิสว่าเราที่พุ่มได้ก็เป็นมานานแต่พอดีได้พบได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้า และก็สถาพสติปัฐานที่เป็นวัดปาสุกโตมาได้แล้วก็มีโอกาสที่จะรักษาใจออกจากความทุกข์ที่เป็นมานานแล้วกินยามานานแล้วก็ ได้แก้ไขจิตใจมีปกติกลับมาได้เดิมหลอมไปเรื่อยๆไม่ใช่เขาไม่ดีแต่ว่าเป็นอาพิจาร์ตั้งเองกว่าไม่รู้ ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์กมาที่นี่คงทิ่กินยานอนหลับเจ็ดปีมาติดสองติด ท, ที่แล้วก็มียอมจากญี่ปุน่นแล้วก็เป็นทุกข์มากคิดกังวลใจ แล้วก็อ่าเป็นจิตภาพอยู่ที่ใจเป็นหน้ากลัวหน้าอ่าไม่สบายใจนอมไม่รับก็กินยาเจ็ดปีมานานแล้ว มาถึงที่นี่ก็แก่สองวันสามวันก็มีใจเป็นปกติขึ้นก็เขาก็บอกว่ากินยามามงั้นก็เลอกได้ก็แนะนำให้ไม่กินก็ ไม่มีปัญหานอนหลับสบายสบายเขาก็แปลกใจเพราะว่าคุณหมอก็ให้กินยาตัวเองก็เชื่อว่าถ้าไม่กินยาก็นอนไม่หลับแต่ว่านอนหลับนอนหลับสบายสบายแล้วก็เขาก็บอกว่าไม่เคย รู้สึกมีความ อ, าอบอุ่นใจหรือว่าไม่มีเมตตาการาุณาเกิดขึ้นมีคนบอกว่าให้เมตตาการุณามีสำคัญเอาใจทายเพื่อนเอาใจสามพ่อแม่ทายแล้วก็ ไปยามก็ต่ำไม่ได้แต่มาอยู่ที่นี่แล้วไม่กี่วันเขาก็แปลกใจบอกว่ามีใจรู้สกปรุนใจที่ไม่เคยรู้สึกแล้วก็มีเมตตากรุณา ก็เกิดขึ้นพเป็นอาการเป็นอย่างนี้เพิ่นได้เจ อ, อก็ไม่ใ่อย่างนั้นอันนี้ก็เป็นมันลายก็เป็นอย่างนั้นจิตใจร่างกายจิตใจไม่มีชีวิตชีวาเหมือนกับคนตายก็ มีใจที่อุ่นใจมีใจสว่างสวายก็หายไปเป็มมืดมืดก็หลายคงก็บอกว่าปฏิบัติ ด, ดูแล้วก็มันโลกนี้สว่างขึ้นแต่ของดูสึกับมืดแต่ตอนนี้สว่างขึ้น มันแปลกใจหรือว่ามองเห็นแคบๆบก็มันก็เห็นกว้างกว้างลนอมล้อมก็แปลกใจแต่ก็มันเป็นศับสองรุ่นวาย มเสียันดันแต่ว่าตัว น, นี้ฮูลรู้สึกว่าสงบจริงๆโรกนี้ก็เป็นความสงอบอันนี้ก็ก็หมายความ ว, าว่ามันจิตใจเปลีป่ยนแปลงก็สิ่งที่เป็นโลกนี่ก็เปลีป่ยนแปลงได้ สูตรมหายาณสูตรหนึ่งของพุทธศาสนาธรรมพุนตริกสูตรก็บอกว่าถ้าจิตใจเราสงบแล้วก็มีสมาธิได้ดีแล้ว ก็มีเห็นแต่เทวดาในโลกนี้ทุกๆกลมมันเทวดามันเต็มไปด้วยก็เพราะว่าจิตใจเรามันมเปลี่ยนแปลงของี่เป็น ได้พบได้เจอนี่ก็เป็นเปลี่ยนแปลงเป็นเทวดาได้เราไม่ต้นตายไปก่อนเป็นขึ้นสวรรค์เจอเทวดาแล้วก็เทวดาในปัจจุบันนี้ก็ได้ แล้วก็ตัวเอตัวเราเอ็นนั่นเองก็เป็นเทวดาได้มันจิตใจมีพิธิความสุขยินดีมีจิตเมตตาการุกนาก็เป็นเทวดาแล้วเราไม่ต้นแสแบงหา ลอกอีกลอกหนึ่งที่เราอยู่ที่นี่ก็ เ, เป็นสวรรค์ได้เพราะว่าเห็นแต่เทวาดาก็เป็นสวรรค์ลองกลับว่าถ้าเราจิตใจไม่ดี เราไม่ต้องตายไปตกนรกเชือยักกับมานก็ถ้าเรามีใจมีความโกรดก็เป็นโลกเรานี้ก็เป็นนรกอยู่แล้วพบกับใครก็รู้สึกน่ากลัวน่า กระตบกระเทือนใจแต่ว่าเราก็ออกจากนรกได้ถ้ามีสติถ้ามีปัญญาจริงๆแล้วก็เราก็ติดป้ายในใจเขาก็นิ ส, สัยดีเขาเป็นคน เป็นครูเขาเป็นกลมหน้ากเกียดอะไรต่างๆก <c oughs> <c oughs> ็จริงๆแล้วถ้าดูใจเราแล้วก็ติดป้ายในใจแต่เราก็รู้สึกว่าอ๋อนี่คมไม่ดีนี่ อยู่ที่ด้านโน้มันเห็นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าทุกสินทุกอย่างเราถ้าดูใจเราเองก็ติดป้ายในใจว่าคนนี้เป็นคนแบบนี้แบบนั้นจนเจนเราในโลกนี้เป็นนาม งับรไม่ได้เป็นสัตว์ไม่ได้เป็นคนที่เป็นดีไม่ดีก็มีนามที่เราอยู่ทิ่ใจนั้นเองก็สางโลกทาสีไป แล้วก็เราก็กระตบกระเทือนด้วยตรงแอรไม่ใจด้านโนอกระตบกระเตือนเราแล้วว่าเราสารเรื่องในใจว่าเป็นอย่างนี้ว่าเป็นอย่างนั้นก็เป็น ทำให้เป็นโรคเป็นอุ่วายกลับมาเรากระตบกกระเทือนถ้าจิตใจเราเป็นเป็นสัง่งออกเป็นปกติได้แล้วก็มีแต่ธรรมชาติธรรมชาติเรื่อนๆน ก็เป็นธรรมะก็เกิดขึ้นดับไปเกิดขึน้นดับไปจินๆแล้วมีปัญหาที่จิตใจเกิดขึ้ น, นก็เป็นการเชื่อมโยงมาจากเชื่อมโยงกันเชื่อมสัมพันธ์ ถ้าคนที่เป็นกาตัวตายเขาก็ทนได้ว่ามันเรื่อนเล็กๆน้อยๆคิดกำบนใจว่าตายแล้วเป็นยังไงตายแล้วก็ออ ก็บังคิดคิดแล้วก็มีรู้สึกว่าเป็นมันไม่สบายใจหรือว่ามันอาการของร่างกายมันก็มีตืนเต้นหารมณ์มันเสีย หน้าตาหน้าบึ้นมืดอมื่แล้วก็มันน่ากลัวเป็นมันเกิดขึ้นมันก็เป็นช่วงหยอกกันสามปังกันมังเกิด ถ้ายัางนั้นทนเชา้าก็รู้สึกไม่สบายนิดหน่อยก็มันก็ความคิดก็มาช่วมโยมกันว่าตายดีกว่าตายดีกว่ามันจริงๆแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าเราก็มา จะให้เป็นอยู่ด้วยกันอารมณ์ต่างๆจริงๆมันก็แววนตาก็เกิดขึ้นแล้วดับไป <c oughs> แต่ว่าเราหยุดมั่นถือมั่นแล้วก็สร้างเรื่องนี้เรื่องนั้นเป็นสังการจิตตสังการ ก็สร้างขึ้นไปความคิด่าตายดีกว่าแล้วก็เป็นตัวเป็นตนเอาผลตายดีกว่าจำตายดีกว่าจำมันทุกมันทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันก็สร้างขึ้นมาเองตอนแรกๆก็าเป็นเบตาเฉย ก็ทุกกระเวทนาเกิดขึ้นนิดนิดหน่นอยหน่อยแต่ว่ามันก็ซานเรื่องได้แล้วก็มันเต็มมันความเชื่อมโยงกันเป็นอธิบายเป็น ปัตปตุเจ้าก็เปิดถึยเรื่องปฏิจจสมประบาทมันช้ำยอมกันเรื่อยๆเป็นว ง, งกลมก็มีวิธีที่จะแก้ไขออกจาก ความเจีมยมเนืองกัรเป็นเบตนาความคิดร่างกายก็เราก็มีสตินังเองมันตัดได้เบตนาเกิดก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเกิดตั้งเท้าปั่ได้มันก็อาการเฉยๆได้มันตัดไปได้ มันเกิมาจากการปฏิบัติธรรมเป็นปัจจัยนี่ไม่ใช่เป็นสาเหตุที่เป็นต้นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นสาเหตุนี่ไอ้เป็นปัจจัยนี่ก็ไม่กลุ่นว่าทําให้มีโอกาสมากแต่ไม่ใช่เกิด ให้จริงๆเบตนาเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดตังหาตังหาเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอุปาทานแต่ว่านี้ก็แบ่งแค่ปัจจัยปัจจัยนี้ทำให้เกิดโอกาสมากแต่ว่าต้นตำให้ได้ไม่ได้ มันก็เป็นเป็นความเป็นเป็นมาความเป็นมาเป็นเป็นติดนิสยัยเฉยๆ <lightweight. c ười> <c ười> ก็เลยเราก็มันมสีสติก็ตัดบายตัดได้ ทำดีก็ได้ดีขึ้นได้มันนิสัยก็เปลี่ยนแปลงได้เพราะว่านิสัยไม่จะเป็นนันก็นิสัยเป็นอนิจจันทร์เป็นสามมาเป็นมาก็เป็นนิสัยเฉยๆแต่ว่าเราก็ทําไปทํา ม, มาทำดีเปลี่ยนแปลงเป็นป ฏ, ฏิบัติไป ก็เปลี่ยนแปลนได้แล้วก็มีวิธีหนึ่งที่จะเป็นบนจองของความทุกข์ปฏิจจสมประบาทนี่ก็ให้เป็นเ็นเป็นปัญญา ได้เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วก็มีความจนบางทางกันได้ไม่ใกล้จิตไม่เป็นเราก็แก้ดูช่วยๆดูธรรมะ ปฏิจจสมปบาก็เป็นธรรมะเป็นเหตุมีปัจจัยทําให้เกิดผมก็เป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราดูได้แล้วก็ไม่ได้เป็นแล้วไม่ได้เป็นตัวไม่ได้เป็นตมไม่ได้เป็นบิณ ญ, ญาณไม่ได้เป็นอุปท า, านสัญญาสังขาร ก็เราดูรู้ว่าเป็นกองสังขารเป็นตั้งหมดเป็นขันธาเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยนไม่เป็นตัวตมุมแก่อาการเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเรื่อยเื ก็มันตัวเราก็มีจ้องว่างมีจ้องว่านี่ไม่ความันไม่เป็นเราเห็นได้สิ่งที่เราได้เห็นนี่ไม่ใช่เป็นของไม่ใช่เป็นเรามันก็มีจ้องว่าง เราเป็นผู้ดูผู้เห็นแล้วก็อาการก็เป็นธรรมะเรื่อนๆรื่อนเรามีสติก็ตัดไปได้เปรี่ยมเป็นได้เราเลือกได้เป็นเจ้าของของจิตใจได้ไม่ได้เป็นทาสของมันเป็นบ่นชร ของสังขารก็ เ, ออเราละออกจากวงจองของปฏิจจสมประบาดได้ก็เป็นอิสระเป็นรุดพ้หลุดออกจากความทุกข์ุดออกจาก ความเป็นความเศร้าโอมอก็เป็นอิสระและก็เป็นไม่ใช่เป็นผู้ทุกเป็นผู้เห็ น, หนทุกเป็นภาวะที่เห็นเฉย เข้าใจธรรมะมากขึ้นยิ่งขึ้นแม้ว่าเป็นอาการอะไรเกิดขึ้นเราก็ตัดไปได้ด้วยสติให้มีจ้องว่านด้วยปัญญาให้เข้าใจเป็นผืที่เป็นหลุดออกจากความทุกข์ เป็นมาผล น, นิปังก็เกิดขึ้นนะครับก็คิดว่าพอสมควรเก่วเวลาสำหรับเย่งนี้ก็ขอสุดท้ายนี้ก็ขอให้ <c oughs> าปฏิบัติธรรมที่เราทำในทุกความทุกความเป็นภาวะปัจจัยที่ทำให้ เราเกิดมีส ต, ติมีปัญญาให้เกิดมาปีนนิปานในปัจจุบันชาตินี้ทุกคนเถิดข้าพะพร้อมกัน